ทีนี้ก็มาดูการฝึกยิ่งขึ้นไปอีกตอนนี้แหละเรียกว่าอินเสียภาวนาเป็นหลักที่ตรัสไว้ในอินเสียภาวนาสูตรมัชิมนิกายอุปริปันาตในพระสูตรนี้ต่อจากตรัสการปฏิบัติแล้วยังตรัสให้เห็นความแตกต่างที่พึงเทียบกันระหว่างเสขะปาติบทคือพระอริยะผู uh ้ยังฝึกกับภาวิตินซี คือพระอรหันต์ผู้ฝึกเสร็จแล้วที่เป็นภาพิตากายขอยกมาให้ดูพอรู้รูปเขาเรื่องมีว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่ป่าภัยในกระชังคณะนิคมอุตรมานปสิทธิของปาราสิริยผามเข้าไปเฝ้าพระองค์ตรัสถามเขาว่าปาราสิริยรามสอนหลักอินเสียภาวนาแก่เหล่าสาวกใช่ไหม เมื่อเขารับว่าใช่พระองค์ก็ตรัสถามว่าปาราศิริยพร์สอนการพัฒนาอินทรีย์อย่างไรเขาทูลตอบว่าปาราศิริยพร์สอนอินทรีย์ภาวนาโดยไม่ให้เอาตาดูรูปไม่เอาหูฟังเสียงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าถือตามหลักที่พรา์นี้สอนคนตาบอดคนหูหนวกก็เป็นภาวิตินรี คือเป็นผู้ได้พัฒนาอินทรีย์แล้วละสิเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วอุตรมามนพก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานจากนั้นพระองค์ตรัสว่าการพัฒนาอินทรีย์อย่างที่ปาราสิริยพราหมณ์สอนนั้นเป็นคนละอย่างต่างจากอินทรียภาวนาอย่างยอดเยี่ยมในแบบแผนของอาริยชนในอริยวินัย พระอานนท์จึงทูลขอให้ทรงแสดงหลักอินสียภาวนาอย่างยอดเยี่ยมในอริยวินัยนั้นและได้ตรัส ด, ดังรวมใจความมาโดยความอุปมายาวๆได้ละเสียดังนี้ช่วงที่หนึ่งเรื่องอินสียภาวนาตรัสว่าดูกะอานนท์ก็อินสียภาวนาอย่างยอดเยี่ยมในวินัยของอริยชนเป็นอย่างไรดูกะอานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักสุสภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นแก่ปิกสุในธรรมวินัยนี้เธอรู้ชัดรู้เท่าทันอย่างนี้ว่าสภาพที่น่าชอบใจสภาพที่ไม่น่าชอบใจสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นแล้วแกเราเช่นนี้ก็แต่ว่า สภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจนั้นแหลเป็นภาวะปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะนี้จึงสงบสภาวะนี้จึงประณีตกล่าวคืออุเบกขามีใจเฉยโดยตรหนักรู้อยู่ในดุลสภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจ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 เหมือนดังบุรุษมีตาดีลืมตาแล้วหลับตาหรือหลับตาแล้วลืมตาดูกระอานนนี้เรียกว่าอินเสียภาวนาในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุอันยอดเยี่ยมในวินัยของอริยชนดูกระอานนข้ออื่นยังมีอีกเพราะได้ยินเสียงด้วยหูเพราะดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะลิ้มรสด้วยลิ้น เพราะต้องโพธิภพด้วยกายเพราะรู้ธรรมารมด้วยใจสภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวิไนนี้เธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าสภาพที่น่าชอบใจสภาพที่ไม่น่าชอบใจสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นแล้วแก่เราเช่นนี้ก็แต่ว่า สภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจนั่นแหลเป็นภาวะปรงแต่งเป็นของหยาบอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะนี้จึงสงบสภาวะนี้จึงประนีตกล่าวคืออุเบกขาสภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นแกเธอนั้นก็ดับหาย อุเบกขาตั้งได้ที่สนิทดูกระอา non นพนิสุรูปหนึ่งรูปใดที่สภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายอุเบกขาตั้งได้ที่สนิทโดยเร็วโดยพลันทันทีโดยไม่ยากลาบากเหมือนดังบุรุษมีกาลังเอาหยาดน้ำสองหรือสามหยาดยดลงในกระทะเหล็ก ที่ร้อนจัดตลอดทั้งวันการหยดลงไปแห่งหยาดน้ำนั้นอย่างช้าไม่ทันที่หยาดน้ำนั้นจะถึงความเหือดหายหมดสิ้นไปจับพลันทันใดโดยแน่แท้ดูกระอาณนนี้เรียกว่าอินเสียภาวนาในธรรมมรมที่รู้ได้ด้วยใจอันยอดเยี่ยมในวินันของอริยชนดูกระอาณนอย่างนี้แล เป็นอินเสียภาวนาอันยอดเยี่ยมในวินัยของอารยชนช่วงที่สองแบ่งเป็นสองขั้นขั้นแรกข้อกอเสขะปาฏิบทผู้ยังฝึกศึกษาตรัสว่าดูกระอาณ น, นก็พระเสขะผู้ยังปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไรดูกระอาณ น, นเพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวิไนน์นี้เธออึดอัดเบื่อนายรังเกียจด้วยสภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเกิดขึ้นแล้วนั้นเพราะได้ยินเสียงด้วยหู พระดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะลิ้มรสด้วยลิ้นเพราะถูกต้องโภทพะด้วยกายเพราะรู้ธรรมารมด้วยใจเธออึดอัดเบื่อนายรังเกียดด้วยสภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดูกระอานน์อย่างนี้แหลชื่อว่าพระเสขะผู้ยังปฏิบัติอยู่ช่วงที่สองขั้นที่สองข อ, ขอ ภาวิตินสีผู้ศึกษาพัฒนาจบแล้วตรัสว่าดูกระรอานนท์ก็พระอริยะผู้พาวิตินสีคือผู้ได้พัฒนาอินสีแล้วเป็นอย่างไรดูกระรอานน์เพราะเห็นรูปด้วยจักรสุสภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวิไัยนี้เธอนั้นหากจำนงว่าเราจะหมายรู้ในสิ่งปฏิกูนว่าเป็นของไม่ปฏิกูนอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของไม่ปฏิกูนอยู่ได้หากจำนงว่าเราจะหมายรู้ในสิ่งไม่ปฏิกูนว่าเป็นของปฏิกูนอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ หากจำงว่าเราจะหมายรู้ในสิ่งทั้งปฏิกูนและไม่ปฏิกูนว่าเป็นของไม่ปฏิกูนอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูนอยู่ได้หากจำงว่าเราจะหมายรู้ในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูนและปฏิกูนว่าเป็นของปฏิกูนอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้หากจำงว่า เราจะเว้นคำหนึงทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างมีอุเบกขาอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะก็มีอุเบกขาในสิ่งนั้นๆอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะได้ดูกร ะ, ระอาณน์ข้ออื่นยังมีอีกเพราะได้ยินเสียงด้วยหูเพราะดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะลิ้มรสด้วยลิ้นเพราะถูกต้องโภทะพระด้วยกาย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 ก็มีอุเบกขาในสิ่งนั้นๆอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะได้ดูกระอาณ น, น์อย่างนี้แหละชื่อว่าพระอริยะผู้ภาวิตินซีคือผู้ได้พัฒนาอินซีแล้วในพระสูตรนี้มีคำที่น่าสังเกตคือคำว่าปฏิกูลคำว่าปฏิกูลนี้ไม่พึงมองความหมายแคบๆอย่างที่มักเข้าใจทํานองว่าส ก, กปรกยกตัวอย่างตามที่ท่านอธิบายไว้เช่น คนหน้าตาไม่ดีมีกิริยาอาการไม่งามเรามองด้วยเมตตาหรือของไม่สวยเรามองตามสภาวะของธาตุให้เห็นเป็นหน้าชื่นชมหรือสบายตาก็เรียกว่าหมายรู้ในของปฏิกูลเป็นไม่ปฏิกูลคนหรือของที่เห็นกันว่าสวยงามเรามองด้วยอนิจจตาหรือตามสภาวะของธาตุก็กลายเป็นไม่สวยงามอย่างนี้ก็เรียกว่า หมายรู้ในของไม่ปฏิกูลเป็นปฏิกูล